พี่สาวเคยมาขาดห้ีงพอันดีเขาเสียชีวิตไปเมื่อวันที่24กันาแล้วก็สั่งเอาไว้นะคะว่าใหเอาปัจจัยมาเท่าไปเมียพ่อหนึ่งแสนนะคะหนูก็เลยมาทำหน้าที่แทนเขาค่ะเอายุ่สิบปนี้ิเค่ะเป็นอะไรเสียนะเป็นมะเร็งค่ะมะเร็งตับ รูพอรู้เดือนเดียวเองค่ัเกสียณอ๋อไม่มีอาการมาก่อนนี่ไหมไม่มีเลยค่ะไปตรวจเมื่อปีที่แล้วก็ปกติทุกอ่างแล้วอืมแล้วก็เริ่มเหนื่อยเหนือยนเหนื่อยเนือยู่สาสเดือนนะมาไปตรวจก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วค่ะรามไปหมดเั็นตัวแล้อืมอายุเท่าไหร่หกค่ะหกเอ็่าเข้ามากราบหลวงพ่อหรายค่ะที่ไหน อยู่ที่ร้อยเอ็ดน ะ, ะ, ะเราก็อยู่ที่ร้อยอ็ดเลยม่เราอยู่กรงเทพค่ะแต่ว่าเป็นคนพาี่สาวมาเลยค่ะเราคลายไ้เจ็บมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเวลามันจะเกิดก็เกิดขึ้นพระเจ้าจึงบอกว่าไม่ให้ประมาทให้เตรียมตัวตเตรียมใจให้คิดเสมอว่า มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้มันก็จะได้ทันการไปฮะถือกระเป๋าว้เดียวเข้าไปเลยชีวิตของพวกเราทุกคนมันก็เป็นของชั่วคราวมาเพื่อไปไม่เลยมาเพื่ออยู่ต้องมีวันไปกันทุกคนถ้าไปด้วยความ พร้อมก็ไปอย่างสบายถ้าไม่ได้เตรียมตัวเอาไปเหมือนถูกบังคับให้ไปนี้ก็จะลําบากจะทรมานใจกิตใจก็ดีไหมหลังจากที่แกไปดีค่ ะ, ะเพราะว่าก็แก <c oughs> ไม่มีอาการเจ็บหรือทรมานเลยค่ะ <c oughs> มีแต่อาการเหนื่อยอย่างเดียวค่ ะ, ะแล้วก็ก็ค <c oughs> ง, งค่อนข้างสงบ ค, ค่ะเพราะว่า ถามเขาว่าคิดอะไรไหมเขาก็ไม่ก็ค่อนข้างเงียบอะไปก็ไปแบบสงบเลยค่ะช่วงที่หลังจากที่รู้แล้วก็แกทําอะไรก็ไปรักษาตัวหมอบอกรักษาไม่ได้คะให้อยู่ที่บ้านเป็นมะเร็งก็เป็นไวรัสเป็นเป็นมะเร็งจากถุงน้ำดีล้ามไปที่ตับไปที่ปอดต่อมน้ำเหลืองกระดูกไขสัหลังไปหมดค่ะหมอบอกปกติต้องเจ็บปวดทรมานมากแต่ว่าเขาไม่เจ็บเลย เขาก็สั่งมาไว้ว่าตายผู้เเขาเลยไม่ต้องให้ทำพิธีไม่ต้องเก็บกระดูกไม่ต้องอะไระะอย่าง น, านี้ค่ะสั่งๆไ้ตั้งงานแล้่ะเขาก็ปฏิบัติอยู่เป็นประจำอยู่วะเขาก็เขาวัดมาสามสิบกว่าปีค่ะเขาก็โคตรตลอดลยอย่างนี น, น่าจะไปสบาย คนเข้าวัดได้เปรียบกับคนไม่ได้เข้าวัดไม่เคยเข้าวัดมันจะไม่รู้จักที่พึ่งทางใจกันก่อนจะเสียเขาก็ให้เอาเงินที่เขาเก็บมาเอาไปทำธุนเหมือนเนี่ยค่ะแต่วัยน้องปูว่าต่างต่างอยูก็เป็นคนเอาไปทำให้เขาก็ไปไม่ไหวคุณของหลวงพ่อไก่ค่ะเขาก็เลยสั่งไว้ดูรอเ้าเสียค่อยมามเขาก็ได้ทำของเขาทุกอย่าง ไม่ต้องร้อยคนทำส่งไปให้เขาคนส่งไปให้นี่ส่งไปได้เล็กน้อยเหมือนส่งของไปทางไปรษณีย์ส่งบ้านไปท้างหลังไม่ได้ส่งได้เป็นของเล็กๆน้อยน้อยพอพอเยียวยาไปวันวันหนึง่งแต่บุญที่เราทำของเราเองนี่ทำเท่าไหร่ก็เอาไปได้หมดเลย ถ้าให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆนะั้นมันจะทําให้ไม่ไม่หวงทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองไม่โลภอยากจะได้มากตายไปก็เอาไปไม่ได้ขอให้มีพอมีพอกินพอนพอยู่ไปไม่เดี๋ยวร้อนก็พอแล้วมีมากไปกว่านนั้นก็เอาไปทําบุญดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่เวลาจะไปปลุกปั่นบางทีมันทําไม่ทัน อายุ you, ห่างกันนูมากเลย9ปีค่ะ9ปี61นะ6นูมีครอบครัวะไม่ีไม่มี ไ, มมได้ปฏิบัติธรรมหรือปูลคะ่ะดบบพี่สาวดูวหนูไม่ไม่ได้เแบบท่าพี่สาวพี่สาวมีอยู่ในวัดะะอยู่ในวัดเลยแล้วก็พ่อแม่แกก็เข้าข อ, ออกมาดูแลแม่ด้วยเข้าวัดด้วยนะคะ ปัญากจะไปวัดของใครวัดหลงวงเมื่อก่อนเป็นวัดสุวดเดีเ๋ยวนี้เป็นท่านอาจารย์สุพรนะะที่บบ่บุรีรัม์่ะที่สุสาารินทร์อยู่ที่นั่ น, นค่ะท่านอาจารย์ก็มาตลอดอนจนจนวินทีสุด้าที่สิ้นท่านอาจารย์ก็อยู่ด้วยฮท่านอาจารย์สุพรนะ์เลย่มีคนให้กำลังใจทำใจให้สงบท่านนั้นแะ ทำอะไรไม่ได้เรื่องของร่างกายร่างกายมันต้องเป็นไปแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรปัญหามันอยู่ที่ใจใจมันทำใจไม่ได้ใจมันหลงไปยึดติดกับร่างกายไปคิดว่าจะเป็นอะไรไปกับร่างกายความจริงใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ใจก็เพียงแต่มาสายร่างกายอยู่เมื่อร่างกายอยู่ไม่ได้ก็ก็ย้ายออกไปเท่านี้จะไปยือ้อไปแย่งไปอะไรมันก็ทุกไปประป่าซ่อมได้ก็ซ่อมไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ดูมันไปดูตามความเป็นจริงสักแต่ว่ารู้ มันเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บอย่าไปอยากให้มันหายอยู่ก็มันไปเหมือนเกี่ยวมันเป็นเหมือนเพื่อนเราก็แล้วกันมันมาเยี่ยมเยือนเราความเจ็บความแก่ความตายนี้เป็นเหมือนเพื่อนเขาจะต้องมาเยี่ยมเยือนเราเราก็ต้อนรับเขาอย่าไปลังเกียจอย่าไปขับไล่สายส่งไล่แล้วเขาไม่ไปทําให้เราเครียด ไายเขาก็ไม่ได้เขาจะมาเขาจะอยู่กับเราวิธีเดียวก็คือต้องทำใจทำใจให้สงบทำใจให้วางเฉยสัยบใจว่ารู้รู้เบรคขาถึงเน้นเรื่อยเรื่องการจเจริญสติพอมีสติแล้วมันจะทำให้ใจสงบทำให้ใจปล่อยวาง ตาไม่สงบมันจะปรุงมันจะฟุง้งมันจะอยากเมื่อเช้านี้มีแม่พาเด็กสองคนนะอายุไม่กี่ขวบห้าหกขวบฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆ บ, บอกแม่ผมไม่อยากจะตายเลยขนาดเด็กมันยังรู้เลยว่ามันไม่อยากตายกันอายุเพียงห้าหกขวบ แต่ก็ดีนะมันได้ยินไ ด, ได้ได้รู้จักความตายตั้งแต่เด็กมันก็ทำให้มีภูมิภูมิกันต่อไปเขาก็รู้ว่าเขาต้องทำใจเราเคเห็นคนตายตั้งแต่อายุสิบสองมั้งเห็นเพื่อนนักเรียนจมน้ำตายไปงานศพเขาเขาเป็นคริสเขาก็เปิดฟ้าลงให้ดู ก็พิจารณาไปเลยเ อ, อเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเนี่ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายาย่ยาสนิทนิสหายแล้วมันคิดของมันไปแล้วมันก็ทำใจเวลาใครไปก็เลยไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ไม่ค่อยเสียใจไม่ค่อยอะไรเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าไม่เคยคิดถึงความตายเลยนะี่พอมันมันมันจะไม่ยอมคิดคิดเวลาคิดถึงความตายใจมันจะหดหูใจจะไม่มีชีวิตชีวาแต่ความจริงมันที่หดหูไม่ใช่ใจละคือกิเลสมันหดหูกิเลสไม่มีชีวิตชีวาดีนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอนานุนสติ ธรรมที่สำคัญของของทางพระพุทธศาสนาให้เจริญอยู่เรื่อยๆให้ทะลึกถึงอยู่เรื่อยๆอย่าให้ลืมที่ให้เจริญอยู่เรื่อยๆก็เพื่อไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมวันตายกันถ้ามันเห็นวันตายมันจะไม่โลกกันนะเห็นไหมติสาพอรู้ว่าเป็นนี่ก็ ไม่โลภแล้วมีแต่อยากจะทําทานทําบุญไปไม่ได้ก็ฝากคนอื่นไปทําให้เห็นแล้วว่ามันเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้แล้วเงินทองข้าวของต่างๆ<ม>ก็พึ่งได้เฉพาะให้ให้ร่างกายท่านแต่เมื่อร่างกายมันไม่อยู่แล้วจะจะมีเก็บเอาไว้ทําไ ม, มเก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร การาระลึกถึงความตายมันจะช่วยตัดเรื่องความโลภความอยากอะไรได้ได้มากทีเดียวมันจะไม่หลงมันจะไม่คิดว่ามันจะไม่ตายมันจะไม่คิดอยากไม่อยากตายความทุกข์นี่มันเกิดจากความไม่อยากตายนี่ถ้าไม่มีความไม่อยากตายมันจะไม่ทุกข์ มันจะเฉยๆร่างกายมันก็เฉยๆเวลาตายมันก็ตายแบบเฉยๆมันไม่ได้อะไรที่ดิ้นเวลาตายคนดิ้นมันไม่ใช่ร่างกายดิ้นใจมันดิ้นถ้าใจสงบร่างกายมันก็จะไม่ดิ้นมันก็จะเฉยๆมันดิ้นเพราะมันไม่อยากตายมันทรมานกลัวกลัวความเจ็บอยากไห้ความเจ็บหายไป มันต้องพยายามฝึกสติให้มากม า, กมากพุโทโธให้มากมากนะ <c oughs> เป็นอะไรก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปปล่อยวางทุกอย่าง <c oughs> อะไรมันจะเป็นก็ต้องเป็นอะไรจะตายมันก็ต้องตายห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตาแต่ใจขอให้สงบแล้วจะสบาย จะไม่เดือดร้อนขอให้ทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆทำจนกระทั่งมันชำนาญสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาอยากจะสงบเวลาไหนก็สงบได้พุดโธสองสามคำก็ได้ละถ้ามันชำนาญนี่มันไม่ต้องใช้เวลามาก ต้องพยายามอย่าเกียริของวิเศษเกาะคุ้มกองใจมีพุโทโธแล้วใจจะสงบเย็นสบายไม่ว่ายามแก่ยามเจ็บยามตายจะไม่ได้มาทำให้ใจเดือดร้อนวุ่นวายถ้ามีพุโทโธมีความสงบ อย่าไปคิดคิดส่วนใหญ่คิดไปทางกิเลสคิดไปในทางความอยากให้สงบดีกว่าให้มีความสงบ ก, ก่อนแล้วค่อยคิดมันถึงจะคิดไปในทางปัญญาได้คิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามันไม่สงบมันจะไม่คิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตา มันจะคิดไปในทางความอยากอยากต่างๆอยากได้อยากมีอยากเป็นปัญญานี้ต้องมาที่ไห น, นต้องฝึกสมาธิฝึกสติให้ได้ก่อนหยุดความคิดให้ได้ก่อนควบคุมความคิดให้ได้ก่อนถ้ายังหยุดความคิดไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้ เวลาปล่อยมันคิดมันจะไม่คิดไปในทางธรรมมันไม่คิดไปในทางปัญญามันจะคิดไปในทางตัณหาความอยากคิดไปในทางกิเลสความตายไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเป็นด้วยกันทุกคนตายด้วยกันทุกคน<ม>เด็กทารกยังตายได้ไ<ม>เลยรื่องของความตายนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตใครๆก็ตายได้ แต่จะตายแบบไหนตายแบบสงบหรือตายแบบไม่สงบส่วนใหญ่จะตายแบบไม่สงบกันตายแบบทุกข์ทรมานกันถึงไม่อยากจะตายกันแต่ถ้ารู้จักวิธีตายอย่างสงบก็จะยินดีอยู่ไปก็เท่านั้นอยู่ในโลกนี้มันมีอะไรบ้างได้อะไรมาบ้างตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้ได้อะไรมาม้างมีอะไรบ้าง ที่ให้เรามีความอบอุ่นใจมีความมั่นใจไม่มีหรอกของต่างๆในโลกนี้แทนที่จะให้ความอบอุ่นความมั่นใจกับมีแต่ให้ความวุ่นวายใจให้ความวิตกความกังวลอยู่ไปทําไมมีอะไรน่าอยู่ในโลกนี้ไปดีกว่าไปสบายไม่ต้องแบกบภาลาเทวีปัญจขันธ์า ขันห้านี้เป็นภาวนหนักอย่างยิ่งรู ป, ปรขันโดยเฉพาะรู ป, ปรขันคือร่างกายอาการสามสิบสองเป็นก้อนดินน้ำลมไฟนี่ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราตายไปแล้วหายไปไหนหายไปกับดินหายไปกับน้ำหายไปกับลมหายไปกับไฟ ทำแล้วใจจะไม่วุ่นวายใจจะสงบใจจะปล่อยวา ง, ยางพยายามปฏิบัติธรรมกันให้มากๆสร้างธรรมกันขึ้นมามากๆทำข้อที่หนึ่งก็สติข้อที่สองก็สมาธิข้อที่สามก็ปัญญามันต้องไล่กันไปขั้นที่หนึ่งก่อนค่อยไปขั้นที่สอง ก่อนจะวิ่งได้ก่อนจะเดินได้ต้องคลานก่อนหัดคลานก่อนคลานได้แล้วก็หัดยืนพอ ย, ยืนได้แล้วก็ค้าหัดเดินเดินได้แล้วก็หัดวิ่งนี่ยังไม่ทันคลานเลยจะวุลุกขึ้นไปวิ่งมันก็ล้มนั่นะ <c oughs> ปัญญาตอนนี้ยังยังไม่ต้องไปไม่ต้องใช้มันมันเป็นกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เป็นปัญญา เอาสติให้ได้ก่อนหยุดความคิดปุงแต่งให้ได้ก่อนหยุดความคิดปุงแต่งไปทางอาวิชชาปัจญาสังขาราความคิดของเรานี่ถูกกัอวิชชาเป็นตัวผักนั้นอยู่ตลอดเวลาอาวิชชาปัจญาสังขาราให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสบ่งให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย พอจมตาหูจมุกลิ้นกายเป็นอะไรไปก็หาความสุขไม่ได้ถ้าใจยังคิดไปในทางเรื่องราวเหล่านี้อยู่ไม่ใช่ปัญญาใจต้องคิดเบื่อไม่อยากจะหารูปเสียงกลิ่นลดอยากจะหาความสงบภาวนาไป เลืิญสติหยุดความคิดพุทโธไปหรือจะดูเฝ้าดูร่างกายก็ได้ถ้าพุทโธไม่ไหวเหนื่อยก็ดูร่างกายแทนร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็อยู่กับการเดินกําลังนั่งกําลังทําอะไรก็อยู่กับการกระทาถ้านั่งเฉยๆก็อยู่กับลมหายใจเข้าออก นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องพุทโทให้รู้ว่าหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจออกแค่นี้ก็พอถ้าอยากจะพุทโทก็พุโทโธไปไม่ต้องดูลมก็ได้เอาพุโทโธอย่างเดียวอย่างง่ายกว่ายัางง่ายกว่าพุทเข้าโทออก แต่ถ้าอยากจะใช้พูดเข้าทออัวก็ได้ไม่ห้ามแต่ถ้ามันใช้แล้วมันไม่มันมันอึดอัดมันมันมันไม่ได้ผลดีก็อยากไปใช้มันมีวิธีหลากหลายวิธีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนพูดเข้าทัวออกพุทธเจ้าบอกให้ดูลมเข้าลมออกอ น, นาปนาสติถ้าจะพุทธานุสติกับพุทธทพุทธทไป เพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆกิน mm hmm. แล้วมันก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา mm hmm. เกิดความอยากเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา mm hmm. ถ้าหยุดความคิดได้แล้วใจจะเย็นจะสบาย mm hmm. จะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆ mm hmm. เรื่องราวจะเป็นอะไรร่างกายจะเป็นอะไรก็รับรู้ไปตามความจริงของเขาแต่ mm hmm. ไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่น ขณะที่เขาเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นอย่างไรก็รับรู้ไว้รับรู้ไว้ไหนพอจะทำได้ก็ทำไปมียากินได้ก็กินไปแต่ใจก็ต้องเฉยๆหายก็หายไม่หายก็ไม่หายในที่สุดมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคน โครคภัยไข้เจ็บมันก็มีอยู่สามโรคโรคชนิดที่หนึ่งเป็นแล้วก็หายเองเป็นไข้หวัดเป็แต่ยาพวกนี้ไม่ต้องกินยาให้ร่างกายมันรักษาของมันเองเดี๋ยวมันก็หายโรคชนิดที่สองถ้าไม่มียาก็ไม่หายต้องใช้ยาก็หา ย, ยามากินหายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นอีกอยู่ดี มันก็จะเป็นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไปเจอโลกที่สามโลกชนิดที่สามนี่รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายเท<ม>่ากันอันนั้นก็ต้องปล่อยมันไปตามสภาพของมันมันจะกลับคืนสู่บ้านเก่ากลับคืนสู่ธาตุเดิมกลับสู่ดินน้ำลมไฟ เวลาเผาแล้วไฟมันก็ไหม้น้ําละเหยไปหมดดินก็กลายเป็นขี้เถ้าไปเป็นเศษกระดูกไป <c oughs> เป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนแม้แต่ของพระพุทธเจ้าของพาอาาระอรหันต์ก็เป็นแบบเดียวกันร่างกายของทุกคนเหมือนกันหมดที่ต่างกันไม่ได้ต่างกันที่ร่างกายแต่ต่างกันที่ใจ ใจมีบำลมมาสุขหอบำลมมาทุกข์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ี่มีบำลมมาสุขเพราะไม่มีกิเลสตัณหาใจเขาพวกเรามีบำลมมาทุกข์เพราะมีกิเลสตัณหาอย่างโลภยังอยากยังหลงอยู่อย่างคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอยู่ <c oughs> ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะทุกข์ทันทีเวลาร่างกายเป็นอะไรไป ถ้าคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนรถยนต์ที่เราเอาใสายให้มันพาเราไปไหนมาไหนเราเป็นคนขับก็ขับมันไปใช้มันไปเวลาเสียก็ซ่อมมันเวลามันซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งมันไปก็มีเท่านั้นเรื่องของร่างกายไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนหรือพิศดาร เรื่องึกลับซับซ้อนพิสดานอยู่ที่ใจใจที่ไปทุกข์กับของที่ไม่ต้องทุกข์ไปทุกข์เองไปทุกข์กับร่างกายเองพอไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็เลยอยากให้มันอยู่ไปนานๆานไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายพอเกิดความอยากไม่อยากขึ้นมามันก็เกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมา อนนี้ถ้าได้สมาธิแล้วก็สามารถหยุดความอยากได้สอนสอนปัญญาได้จเจริญปัญญาได้จเจริญว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เบนนาาตาไม่ใช่ของเราเป็นดินน้ำนมไฟตัวเราไม่มีอยู่ในร่างกายนี้คนไปหาทุกทุกสัตว์ทุกส่วนดูจะหาไม่เจอเลยว่าคำว่าตัวเรานี่อยู่ตรงไห น, นอยู่ที่ผมหรืออยู่ที่ขนหรืออยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันเวลาตัดผมไปตัวเราหายไปกับผมม่ะเวลาถอนฟันไปตัวเราหายไปกับฟันด้วยว่ะ เวลาตัดเล็ดไปเวลาตัดอะไรไปเวลาเปลี่ยนไตเปลี่ยนหัวใจเราไปกับไตไปกับหัวใจรู้ปะคนอื่นมาอยู่ในร่างกายเราแทนเราหรือปะเอาหัวใจคนอื่นมาใส่ในร่างกายเราเอาเอาตับเอาไตของคนอื่นมาใส่ <c oughs> มันก็เป็นเพียงตับไตเป็นอาการสามสิบสองจะไปอยู่ร่างกายอันไหนมันก็เหมือนกัน มันไม่ได้ไปเปลี่ยนคนที่มาครอบครองร่างกายคนที่ครอบครองก็คนเก่าคนที่ครอบครองก็ไม่ใช่ร่างกายเหมือนคนขับรถไม่ใช่รถคนที่มาขับร่างกายก็ไม่ใช่ร่างกายเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรแล้วก็รับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายรับรู้รูปเสียงกยลิ่นรสผ่านทางร่างกาย ถ้าร่างกายพิการตามหกหูบอ ด, บอดหูหนวกก็จะมองไม่เห็นจะไม่ไดียินทางปยญยาฝึกสอนใจแบบนี้แล้วใจจะปล่อยวางร่างกายจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับมันเป็นอะไรก็เป็นไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็เผา กลาเป็นขี้เท่าขี้ทานไปเดี๋ยวพวกเราก็น่างกายของพวกเราทุกคนก็ต้องกลายเป็นขี้เท่าไปตายแล้วไม่มีใครก็เก็บเราไว้หรอกต่อให้รักกันขนาดไหนก็ตามมาตายแล้วก็จบไม่ใช่แฟนเราแล้วเป็นแฟนแค่ขณะมีลมหายใจเนทะ่านี้พอไม่มีลมหายใจก็ไม่ใช่แฟนเราแล้วเป็นของสับปเปลยไปแล้วยกให้สับปเปลย ไปเลก็เอาไปซื้อเล่ากินมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีอะไรไห ม, มใจสงบแล้วมันรับได้ทุกอย่างใครจะชมใครจะด่าใครจะเป็นใครจะตายมันจะไม่เดือดร้อน อา้าแฟนกลับไปไแล้วเหรอไปวันจันทร์เยอะเลยคือวนอคารที่ผ่านมาออแล้วก็ไม่กลับมาจะทำไงแม่ เ, เดี๋ยวหยูจะไปตอนทำงานาเขาเปลี่ยนใจบอกอย่ามาเลยจะทไงก็จะไม่ไปมไม่มีเขาเรวก็อยู่ได้นะ นุ้ยจะไปเมื่อไหร่นะธันวาค่ะธันวาจะอยู่ยาวเลยรอเอ่อถ้าได้งานคงอจะอยู่ยาวแต่ว่าว่าจะไปสักสองสมเดือนแล้วกลับมาก่อนอ้วนนี้มีเท่าไแล้่ะวันนี้อ่ะอ๋อแม่หามาแล้วว่จะมาที่บวแล้วก็มาทำบุญกระดคออเพื่ออะไร ให้ทำสบายใจค่ะไม่ได้ทาเพื่อละความโลภความอยาก่วนหนึ่งค่ะโจนหนึ่งไม่ใช่ทาทางแค่นี้เราอยากจะได้เพิ่มมากกว่า น, นั้นอ๋อไ ม, ไม่ได้หวังนไม่ได้หวังว่าต้องได้เพิ่มอะไรเงี้ย ทางเพื่อลดความอยากตัดความอยากได้เงินทองให้มันน้อยลงไปตอนนี้มีมากเกินไปก็เอาไปแ บ, บ่งให้คนอื่นใช้บ้างอย่าไปใช้เงินทองเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเพรเวลามันไม่มีมันจะทุกข์เพความจริงเราไม่ต้องใช้เงินทองอ่ะถ้ามีข้าวกินแล้วก็ไม่ต้องมีเงินทอง แต่จะเอาเงินทางเป็นที่พึ่งกันเวลาไม่สบายใจก็ไปซื้อนูน่นซื้อนี่ไปเที่ยวที่นูน่นเที่ยวที่นี่ <c oughs> แล้วมันหายไม่หายหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมา <c oughs> ต้องใช้ความสงบเป็นที่พึ่งแก้ปัญหาได้หมดทุกชนิด <c oughs> เวลาไม่สบายใจก็ไปนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจสงบก็สบาย ไม่ต้องเสียเงินเมื่อไม่ต้องเสียเงินก็ไม่ต้องไปหาเงินเมื่อไม่ต้องหาเงินก็จะมีเวลามานั่งสมาธิมากขึ้นใจก็จะสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยต่อไปถ้ายังต้องไปหาเงินมามาแก้ปัญหาก็ก็จะมีแต่เจอปัญหา เราะเงินมันไม่สามารถดับปัญหาดับความทุกข์ใจได้ความทุกข์ใจต้องดับด้วยความสงบโดยการปฏิบัติธรรมสติสมาธิปัญญาถ้าสติก็ดับชั่วคราวถ้าปัญญาก็ดับถาวรนะอย่าพยายามใช้เงินทองดับดับความทุกข์ใจเวลาทุกข์ใจหามุมสงบ พูดโทพูดโทไปทำใจให้สงบหรือปองอันนี้จังทุกขังอนัตตาว่าอย่าไปอยากอยากแล้วก็ทุกข์อย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรอยู่ได้เมื่อก่อนไม่มีก็อยู่ได้พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วต้องมีขึ้นมา คนที่ไม่เคยเสพยาเสพติดเวลาไม่มีสยาเสพติดเสพก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่เสพยาเสพติดอยู่แล้วต้องเสพอยู่เรื่อยเวลาไม่มียาเสพติดก็จะเดือดร้อนเพราะใช้ยาเสพติดเป็นวิธีแก้ความไม่สบายใจมันก็แก้ได้ชั่วคราวชั่วขณะที่เสพ ตื่นตเย็ยนสบายตอนนี้มันหมดวิ์ยาความทุกข์ใจก็กลับมาใหม่พระพุทธเจ้าก็ทดลองวิธีดับความทุกข์ท่านบอกว่าทางการวิธีดับความทุกข์สองทางนี้ไม่ใช่ทางดับด้วยการหาความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ใช่ทางดับด้วยการทรมารร่างกายด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่ใช่ทาง ต้องดับด้วยความสงบต้องทำใจให้สงบในทางสายกลางเรามัชทิมาปฏิปทาอยู่ท่ามกลางระวังทา ง, ท, ง, ง, ท, างทั้งสองทางสุดโตกงทั้งสองทางพวกที่เสพกลางก็โอ้โหหาเงินหาทองเสพกันอ ย, อย่างเมืองพัทยานี่นั่นแหละเป็นที่เป็นที่ดับความทุกข์แบบด้วยการเสพกลาง คนมาจากทั่วโลกมามาดับความทุกข์กันที่พัทยานี่พวกหนึ่งก็ไปไปเป็นฤาษีชีพยัยไปทรมานตนเองด้วยวิธีการต่างๆ mm hmm. ก็ดับความทุกข์ไม่ได้เหมือนกันทุกดับต้องดับด้วยความสงบ mm hmm. ต้องมีสติใจถึงจะสงบ เาไม่มีสติแล้วต่อให้อยากจะสงบมากขนาดไหนมันก็ไม่สงบการสงบไม่ได้อยู่ที่ความอยากสงบความสงบอยู่ที่สติสติที่จะควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวหรือธรมโมธรมโมอย่างเดียวสังโคสังโคอย่างเดียวคิดไปแค่นี้แหละแล้วจิตก็จะสงบได้ สงบแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวยังไม่หายขาดอยากจะหายขาดก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเองอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่ได้ก็ใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีใจต้องไม่อยาก ยายต้องรับกับทุกสภาพได้ร้อนก็รับได้หนาวก็รับได้อิ่มก็รับได้หิวก็รับได้สุขก็รับได้ทุก็รับได้แก่ก็รับได้เจ็บใข้ได้ป่วยก็รับได้ตายก็รับได้ถ้ารับได้กับทุกสภาพแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ทุกข์เราห้ามไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้ สภาพต่างๆที่ชีวิตเราจะต้องพบปะตนะ่ไปหนีมันเลยมันก็เหมือนหนีเสือป่าจระเขนะ้เนี่ยหนีจากทุกทางนี้มาก็ไปเจอทุกอีกทางเลยเดี๋ยวก็ไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบไม่อยากอยู่กับมันไปชอบไม่ชอบมันมาก็ต้องอยู่กับมันไปไม่ต้องไปดิ้นไปหนีให้มันเหนื่อยอยู่เฉย สบายที่สุดมันจะให้พอนะเหผื่อ <Yeah. S 1> ใครอยากจะไปไหนมาไหนต่อยะ <Yeah. S 1> ทาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขะลังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานางอุปกปะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจัตุ ซาเพปุระินโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาชตุมาเตภวตวันตาาโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิตศมิจังุธาปจายโน จตาโรธัมมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังใครอยากได้นักเสียซีดีก็อยู่แตอนนี้มีพี่น้องกี่คนในโยมทหกคนค่ะคนที่คนที่เสียไปคนที่กี่คนที่สอง คนโตคนเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสีคนผู้ชาย2คนคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ป่พ่อเสียไปเมื่อสี่ปีแล้วเแม่ค่ะเดี๋อวแาแม่ทใจได้ใจไม่ได้พ่อเสียแม่ทำใจได้แต่ลูกสาวเสียทำใจไม่ได้ก็เลยจากการกย้ายที่อยู่ที่อื่นแกก็อยู่ที่ที่ที่ร้ยเอกกับลูก หูฟังจาเทหพ่อค่ะอนไหนที่าชอบเาจะเจฟอะไรอย่า้ดูแลอีกจนแบ่าขึ้นใจค่ะฟังหลารอค่าจะช่วยเขาได้หนูก็ถามว่าจะฟังเทพมหนูจะเตือนทำไหหงฟังเขาอยู่ในใจแล้วหสงดีค่ะ้หนูก็เราเตรียมตัวบ้างนะ พวนเราจ่อคิววันนองมีบัตรบัตรคิวแล้วเขาให้บัตรเรามาแล้วไม่รู้เบอร์อะไรีอาจารย์สอบขาไม่มีครับอาโบราณวุฒิสามารถใช้เป็นคำบริกรรมได้นหครับได้แต่มันต้องเข้าใจความหมายตายตายตายตายเนี่ย ถ้ามันถ้ามันท่องเป็นแบบโนกแก้วไม่มีความหมายอะไรก็ท่องไปก็ฝักก็ไม่มีผลกระทบกับผิตใจมันต้องเข้าใจว่าตายแปลว่าอะไรตายก็คือจบมีอะไรทุกอย่างก็หมดหม ด, หมดลบออกไปหมดบุญมีก็หายไปหมดครับผมไม่ใช่ท่องแต่ตายตายตายตายแต่ไม่ใจไม่รู้สึกอะไรกับมันมันต้องรู้สึกโอ้ยเรา จะต้องหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือนะครับแล้วก็คำบริกรรพุทโธนี้เราจับนั่นจับนี้เราก็สามารถบริการไ ด, ได้พุทโธไม่ต้องมีความหมายพุทโธเพียงแต่หยุดความคิดแต่ถ้าตายนี้มันหยุดความอยากด้วยความอยากความโลภต่างๆความกลัวต่างๆหายหมดพอยอมตายแล้งทุกอย่างมันจะหายกลัวหมดความกลัวต่างๆจะหายหมด คอาจารย์มีอะไรอะไรดีนะพร อ, อาจารย์ให้ไปนั่งแบบ3ชั่วโมงก็ก็นั่งแต่ก็ยังไม่ทมันหมดครับแต่พรอาจารย์ก็จะเดินถามว่าถ้าช่วงบางช่วงมันฟุ้งมากเนี่ยเราฟั่งทำอไได้ไหม ในสามชั่วโมงนะไม่ควรในสามชั่วโมงนั้<ใ>นอยากจะให้ใช้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ตัวเปล่าๆไม่ให้ใช้ของภายนอกแต่เวลาอื่นใช้ได้แต่เวลานั้นอยากจะฝึกแบบให้พึ่งเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ต้องพึ่งสิ่งอืออ่นเดี๋ยวใช้ฟังเทศเดี๋ยวเกิดทานหมดไฟดับไม่ได้ฟังก็จะไม่ใช่ก็เลย ก็ใช้ธรรมของเราสิอันนี้จังทุกขังอนัตตาอั น, นี้ก็ทำละคิดไปในทางธรรมต่อไปมันก็เป็นธรรมขึ้นมาเองเรามาจากที่ไหนแล้วก็มาจากความคิดของเรานี่ที่เรามาเทศเจ้าโยมนี้นก็มาจากความคิดคิดไปในทางธรรมต่อไปมันก็เป็นธรรมขึ้นมาเอง ทำไปแล้วมันไม่อยอมเลยทำมัก็ไตรวหลวแต่เนื่อ ง, องคคจะกไม่เคยก็เลยไม่กล้ากลัว ว, ล ว, ว่าจะทนไม่งอย่างนี้สามชั่วโมงไม่ได้เรก็ลองดูเลยนี่ลองดูทำให้มันมีอะไรทํามันจะได้ไม่หงุดหงิดถ้านั่งเฉยๆมันจะหงุดหงิด <c oughs> อยากจะทํานูน่นทํำนี่ก็ทําทไม่ได้ก็นั่งดูลมไปพุโทโธไป สวดมนไปท่องอ น, นิจังทุกขังอนาตาก็ได้ตทองอาการ3านสิสองไว้ก็ได้เที่ยวเที่ยวดูร่างกายของเราก็ได้ดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าท่องไปแล้วนึกถึงภาพของมนไปแต่ละชิ้ น, นอย่ละอดน เอก่าไหนังสือดูก็ได้ไปก่อนจะมาปฏิบัติก็ไปไปเปิดดูหนังสือท่องนึกถึงอวัยวะต่างๆว่าอยู่ตรงไหนปอดอยู่ตรงไหนหัวใจอยู่ตรงไหนกระเพาะอยู่ตรงไหนลำไส้อยู่ตรงไหนสมองอยู่ตรงไหนกระโหลกกรดูอยู่ตรงไหนแล้วเวลามานั่งก็มานั่งเวลานั่งสามชั่วโมงก็มาท่องเที่ยวในร่างกายไปตอนนี้ดูแค่ท่องอย่าง ต่อไปก็ดูดูภาพผมเป็นยังไงอยู่ตรงไหนขนเป็นยังไงอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนมีลักษณะอย่างไร ม, มีตัวเราอยู่ในผมรอเปล่ามีตัวเราอยู่ในเล็บรอป<ม>เปล่าไล่ไปทั้งสามสิบสองอาการมันจะเห็นว่าไม่มีตัวเราอยู่ในอาการสามิสองเลย เมื่อไม่มีตัวเราในสามสิบสองมันก็ไม่มีตัวเราในร่างกายเรามาจากที่ไหนมาจากความคิดของใจ <c oughs> เราไปคิดว่าวัาชรินเป็นแฟนเรามันก็เป็นแฟนเราขึ้นมาถ้าไม่คิดว่ามันเป็นแฟนเรามันก็ไม่เป็นแฟนเราคิดว่ามันเป็นมันก็เลยเป็นเพามันเป็นแล้วก็ต้องเป็นของเราใครมาแตะไม่ได้ ไอ้มาแตะก็ทุกขึ้นมาทันทียังไงวันนี้ฟังเรื่องของคนที่ก็ปุบปับไปไหมเออหกสิบแอ็ดนี่เอยมาอยังจูโจมเลยม่หอกนี่เตเองนอนแล้วตายไปเลยแล้วก็ต้องมีทำทไม่ไมีไม่มีมมก็ตายเหมือนกันหรอ เขาบอกว่ามอเขาต้องเสียบเขาบอกเขาไม่เจ็บเลยออืสายเส้นประสาทเป็นมะเรไหมครับเส้นทางสาั่วโมงก็ไม่ขีนั่งเมื่อยเลยบางันบางเกิดบ้างกว่าเราไม่มีมันเหมือนไม่ไม่รู้สึกเวทนาไม่รุนแรงแล้วเอ๊ะทำไมมันเสร็จแล้วสามชั่วโมงมาตั้งเลยกะเอ๊ะแต่บางวันโอโหแต่บางวันนะคะอันนี้ไม่ขยับเลยนะนั่งแบบไม่ขยับเลยคือตัวไม่ขยับแต่ว่าอืไม่แน่ใจว่า ช่วงบนน่ะนะคะอาจจะมีคืไม่ลุกไม่ยืนไม่อะไรก็คือก็คือนั่งในระยะบทเดียวเลยแหละก็คือต้องได้ต้องต้องต้องถือในแบบที่นั่งแล้วลุกได้นี่ยังไม่ไม่ได้ลองดูที่ให้นั่งหกชั่วโมงแล้วแปดชั่วโมงนั่งหกชั่วโมงเนี้ยนั่งแล้วแล้วอาจารย์บอกให้เปลี่ยนมาทางสคือนั่งหกชั่วโมงมันไม่รู้สึกอะไรอ ไม่เดือดรอนไม่เดือดรอน น, นั่แต่นั่ง3ชั่วโมงบางวันนะอโอ้โหวเลือดมันวิ่งตามผิวหนังเหมือนฟ้าแลบแต่มันก็ดีทำให้ใจไม่ไม่ค่อยฟุ้งซ่านเท่าไหร<ม>่เวลานั่งเสร็จออกมานี่มันพอเวทนาแรงๆนะมันจะไปอยู่กับกรรมบริกรรมพยายามอย่าไปอยากให้มันหายพยายามอยู่กับมันไปบอกอ่ะ มึงเจ็บไปเจ็บไปกูจะขออยู่กับมึงเอมึงอย่าเพิ่งไปถ้ามึงจะไปก็ไม่ว่าแต่ถ้ามึงอยจะอยู่ก็อยู่ไปแต่เราอยากไปอยากให้มันไปที่ยี่สิบเจ็ดอาจารย์ลงศาลาเลยคะนวันสิบสองนี่ไม่ลงยี่สเจ็ดยี่บเจ็ดต้องลงเนียเพราะว่ามันงเพราะวันวันเดือนนี้วนตาเทว์ใช่มันตัางตลาดเทวต้องลง แล้วมันไม่มีมันไม่มีอาหารกินเนี่ยเพราะว่ามันคนใส่แต่อาหารดิบ <c oughs> อาหารแท่งไปลงมาตเอ่าก็องเทนด้วยะวันน้นวันตักบาตรเทวหกโมงครึ่งลงจากเขามาเดินบาตรมาถึงสาราก็เจ็ดโมงครึ่งเกือบแปดโมงแต่ตอนไปสาราจะเสร็จแล้วก็สิบโมง มองกว่าจะชั้นเสร็จก็ต้องลงภาวนาไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเออทำไปเรื่อยๆคือเรา่องสตินี่มันซื้อได้ก็ดีแล้วมันซื้อเออซื้อได้ก็เป็นผ้าล้างกันหมดเลยเอาแค่สติแค่เพียง